สุขแค่ไหนเดี๋ยวก็ทุกฝังใจจดจําแค่ไหนเดี๋ยวก็เลือนหวังดีหรือประสงค์ร้ายแค่ไหนเดี๋ยวก็กลับกลอกให้เวลาห้านาทีพูดถึงใครสักคนหนึ่งถ้าพูดได้แค่นิดหน่อยแปล ว, ว่าพูดจากความจําผิวๆแต่ถ้าพูดน้ําไหลไฟดับไม่หยุดแปลวว่าพูดจากความรู้สึกลึกๆ เวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ที่แรงแรงสัญญาคือสื่อฝังความจำที่แน่นหนาเพราะเป็นเครื่องกระตุน้นสังขารให้คิดดีคิดร้ายได้เข้มขน้นกับทั้งเกิดวิญญาณคือการรับรู้ที่ชัดเจนโดยกลไกธรรมชาติความทรงจำดังกล่าว คุณจึงมีความทรงจำเกี่ยวกับใครสักคนจริงๆก็ด้วยตัวตนของเขาหรือเธอที่ก่อความรู้สึกแรงๆขึ้นมาไม่ว่าจะรู้จักผู้คนมากมายเพียงใดเมื่อแก่ตัวลงคุณจะจำบุคคลสำคัญในชีวิตได้แค่ไม่กี่คนคนที่คุณจำได้ชัดที่สุดคือคนที่เป็นเครื่องกระทบให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารมากที่สุด ซึ่งก็มักไม่ผลพ่อแม่เพื่อนสนิทและคนรักกันเป็นส่วนใหญ่หลังจากการสะสมการยึดติดในเวทนาสัญญาและสังขารไว้มากเมื่อแก่ตัวลงคนเราจะคิดถึงอดีตมากกว่าอนาคตเพราะเวทนาสัญญาสังขารใหม่ในปัจจุบันมากไม่แรงไม่น่าสนใจเท่าของเก่าในอดีตหลายคน ก่อกรรมทางความคิดซ้ำไปซ้ำมาราวกับติดวนอยู่ในวันวานก็พระถูกเวทนาสัญญาและสังขารในอดีตตรึงไว้ต่อเมื่อฝึกเห็นณจุดเกิดเหตุว่าเวทนาสัญญาสังขารเป็นของไม่เที่ยงสุขแค่ไหนเดี๋ยวก็ทุกข์ฝังใจจดจำแค่ไหนเดี๋ยวก็เลือนหวังดีหรือประสงค์ร้ายแค่ไหน เดี๋ยวก็กลับกรอกสะสมการเห็นธรรมชาติปรุงแต่งจิตเหล่านั้นแล้วยิ่งแก่ตัวลงก็จะยิ่งคลายจากความยึดติดในอดีตกับทั้งไม่ถือมั่นในปัจจุบันเห็นอะไรอะไรในกายใจเป็นสิ่งที่ต้องคลายต้องคืนต้องแปลกไปเป็นธรรมดาจิตแบบพุทธทิแท้ยิ่งแก่ตัวยิ่งเป็นอิสระจัดพันธะไม่ใช่ยิ่งผูกอยู่กับสิ่งที่ล่วงไปแล้ว